หน้าสองสองสองตองสองบทที่สองลองอ่านพร้อมกันนียะพร้อมกันอับปัมาหิตังจิตงังอริคุณังสุภาวิตงังยังปะมะนังปังธรรมะนะตัง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 ทีนี้ก็ก็หอบพระอารข้ที่วัดสนามในแกอธิบายเรื่องพระเนี่พระหลวงพ่อนี่เนื้องผงเนื้อนุป ก, กาวเนื้อมะขามาอะไรต่างทั้งหมดนี่สร้างมาประมาณเจ็ดร้อยปีหลวงพ่อว่าองค์ไหนดีหลวงพ่อรู้ขึ้นเลยนะลงไปหน้ากุฏิเหยียบดินนี่หมอเห็นดินนี่ไหมเห็นดินที่หลวงพ่อเหยียบมันมีมากี่ล้านปีแล้วว <laughs> ะ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 เวลาผ่านไปสักสิบนาทีโยมก็ถือขันข้าวออกมาพระ น, นี่หน้าหงิกเลยนะตางบตินี่พอออกมาโยมกุรีบวจอรตอนรับใช่ไหมแต่อันนี้ดีหน้าหงิกเลยโยมก็สังเกตอ่านใจท่านไปเรื่อยๆแล้ก็ทำท่าจะไม่เปิดบาดก็ต้องเปิดเพราะเสร็จแล้วโยมก็ถามว่าท่านหายไปีด้มาตั้งสองมปีไม่เห็นมาเลย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 เกิดขึ้นมาไปตกอยู่ในกลุ่มของพวกวิชาทิฏฐิหรือกลุ่มอันธพานสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนเด็กคนนั้นไปเพราะบริหารไม่ดีนะบริหาริกาปัญญาไม่เกิดแล้วก็บางคนเกิดมาเป็นลูกคนมผู้ดีมีการศึกษาก็พัฒนาตัวเองต่อก็มีอันนี้บริหารดีแต่บริหารไม่ดีก็พัฒนาไปเป็น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 เพื่อนดีกริรนะิยานไม่ดีใช่ไหมเด็กลูกคนจนเน่ยเป็นคนฉลาดแถมคงเราเป็นนักปราดก็มีไม่ใช่ว่าจะตัวการมีสชาจติกปัญญากำหนดจะดีเสมอไปก็ไม่ใช่แต่อาศัยการบริหารถิงเวดล้อมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เร า, าการพัฒนาปัญญาพอเป็นโลกุตระปัญญาเนี่ยให้ศึกษากลับเข้ามาข้างในการพัฒนาตัวโลเกียปัญญามีข้อจำกัด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 แทนจะรู้ว่าไอ้อาหารอร่อยนี้มันประกอบด้วยอะไรมันมาจากอะไรแล้วก็รถนี้เป็นรถอะไรแล้วรถนี้แสดงตัวไป็นยังไงแล้วทําไมอาหารเหล่านี้เข้าไปแตะลิ้นแล้วทำไมน้ำลายมันออกเพราะอะไรเข้าไปเห็นอาการขบวนกันโลกุณฑลปัญญาเกิดแล้วใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เราเป็นไงอร่อยแล้วลุยให้เต็มที่เลยใครมาเบรกไม่ได้ด้วยเนะเออแล้วเพิ่มอีกขอยสักถ้วยหนึ่งเไปนู่นเลยนี่คือมัญยาตรงนี้เอง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 อะไรนะหอคอยที่สนามบินอะ่ะที่มันมีอะไรหมุนรูตลอดเวลาเขาเรียกอะไรนะสัญญาล์เเนอะที่มันเป็นหอสัญญาณอะ่ะสัญญาณบอกว่าเครื่องจะขึ้นอย่างไรเครื่องจะลงอย่างไรเครื่องที่เข้ามาเป็นเรื่องของอเครื่องของในเครือข่ายหรือนอกเครือข่ายเครื่องของข้าศึกเูแล้วมิดอะไรเนี่ยตัวนี้จะรายงานออกมาสรุปผลมันที่หน้าคมใช่ไหม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 แต่ถ้าเอาสิ่งนี้ไปให้เข า, เราสร้างสิ่งวิญญแวดล้อมอย่างไรเนี่ยทีนี้การให้คนใกล้ชิดไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมเป็นเรื่องที่ยากมากแต่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายใช่ไหมาาเอามารู้เรื่องนี้ขั้งแรกเนี่ยคนแรกที่ามานึกถึงก่อนคือยูมแม่นะยูมแม่กับอารามา น, นี่ก็เรียกว่าเป็นขมิญกระปูลนะใช่ไหม <laughs> พ่ออะไรพ่ออามาเป็นเด็กที่ซนใช่ไหมทีนี้ยูมแม่ก็อยากให้ซนก็หา้หามนู่นห้ามนี่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 ตามตัวรู้ของเรามาอยู่กับตัวให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้หวังว่าคงจะไม่เห็นคนนั่ง ง, ง่วงเข้าไปสู่การห่วงแสดงวันผ่านข้ขขอบุกพ่อมาหลายขั้นตอนมากแล้วนะขั้นตอนสุดท้ายแล้วง่วงเี่นะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มดูขั้นตอนในตัวมาได้ยังไงย้อนสอนเลยเวลามันทําท่านก็ย้อนสอนมาได้ไงไตัว ง, งนะ่วงเห็นมันตัวประหลาดเลยไม่ใช่เห็นเป็นเพื่อนสนิทนะ